ต้องต่อไปอีกต่อที่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าวันนี้เราได้ฟังธรรมจากพระ ศ, ศาสดาคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพุทธศาสนาต่าประเทศสนากันนี่ ถาเกิดเป็นพระอรหานขึ้นมาลูกกั้งคือคนทันยในปัญจวัชีห้าคนเป็นนักบวชออกติดตามพระพุทธเจ้าสมัยต้นๆคนห้าคนนี้เป็นลูกของพราหที่มาทำลายลักษณะ ของพระสิท ธ, ธัตะเกิดได้เจ็ดวันแล้เจ้าทศท่านอด้เชิญพรามทั้งแปดคนมาทำนายลักษณะของสิทธัตถะเรียกความคนถึงยาเป็นพรามหนุ่มวัวเขาส่วนพรามนั้นมีเจเจญแจกตายหมดแล้ว ก็เหลือแต่ลูของพรามเหล่านั้นเรียกว่าว่ า, วาปปัตยัมหานามอาศาัศกิกับคนทัน ญ, ญารวมไปเป็นทาคนคนทัญญานี่จะหมายเป็นพรามหนุม่มในหมู่พรามแฉสำนาลักษณะเป็นคติอันเดียวว่า สิทธานี้ไม่คองขราวา่แน่นอนจะต้องออกปวดในกัจจรูเป็นพระเจ้าเพราทำนายแม่นเหมือนกันนะแม่นงงก็หลองพอรมอีกเพนัานนี่มีมาแล้วการทำลายลักษนะเออคนทันยาโยนได้รอ สีปีสามปีเจปีแพลเล็กนะ่าขวน16หปีแต่งงานกับพิมพาพาหปีสร้างพราสาทสารฤดูให้พระเจ้าตุกสนะก็พยายามที่จะให้อยู่ในการวาดถ้าเป็นคารวาดจะได้เป็นพระเจ้าจกักรพรรด จตหะนะหวังจะให้จิตตตาเป็นปจกักรพัฒด์ยิ่งใหญ่ <c oughs> ในดนแดนอินเดีย <c oughs> <c oughs> จงประครบของผมไม่บริโภคลดของโลกไม่มากสุดจนให้พวเมาไม่คิดจะออกบวชปรสสาทสำระดูระดูโลน ก็มีแลดูหนาวก็มีแล้วดูฝนก็มีมีสาวสม น, น, น, น้ำก็นวลนัยบริวานดีสีดีเปลไม่แต่สาวสาวสวยสวยหงพาก็สวยให้หลงลืมกับเดินจะได้ไม่ออกปวด เในที่สุดจนเกิดลาหววขึ้นมาก็ไม่ก็ไม่ค่อยจะดินดีในการบริโภคลดของโลกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายต่อหน้าต่อตาเห็นคนมีทุกข์ อ, อกประภาดทวงกับเป็นลพันั่งรถหลอดชะลดมาก รชาชนคนเก็บคนแ ก, คนก่คนตายคนเกิดเหิ็นจมณะนักปวดมีอยู่แล้วสมัยนั้นแต่เป็นฤๅษีสีภยัยโน่อนอยู่อินเดียแถวเมืองฤๅษีเกตยอดน้ำในคงคาโน่นเคยไปดูยังมีอยู่หมู่บ้านฤๅษีเกต อยู่ยอดน้มจักสิทธิ์ของเขาก็ลเลยเห็นนักปวดเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บ ค, ค, ค, คนตายเด็กกคนก็ร้องไห้เป็นทุกข์เรื่องศีรธาวะาใคเป็นทุกข์เป็นคนตั้งผูศักคนตายเห็นคนผศัก อยู่ข้างแม่น้าคงคาก็ทึ่งใจเราจะต้องเป็นอย่างนี้หรือเป็นปัญหาโจท์ตัวใหญ่แบบรีบให้ราชรถกับม้าขับกงกบิลภัท จะ่านั่งพิจารณาถามพรเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายต้องมีการแจกความเก็บความตายเช่นนี่ต้อมีความทุกข์กันนี้เลยปูยจะย่าตายตายก็ตายไปหมดแล้วเป็นอย่ีกันหรือแล้วก็มองเราเราก็ต้องตายพิมพาก็ต้องตาย แล้ววงก็ต้องตายพระเจ้าโทษนะก็ต้ อ, ต อ, ตองตายแม้แต่วันดาก็สอนนำโคตตายไปแล้วอครตอบเพื่อกำไรทำาไงจริงๆแก้ ป, ปัญหาดีได้ก็เป็นโจย <c oughs> ์อ่าจะต้องศึกษาตรงนี้ก็มองอีกตาหนึ่งว่า ถ้ามีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดถ้ามีแฉะต้องมีไม่แฉะถ้ามีเจ็บต้องมีไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีไม่ตายก้ามองไปบกู่อย่างนี้ยังไม่ยินยอมจะต้องหาวิธีคนพูดเรื่องนี้เพื่อหวนวดเพื่อคนนังหลาย ก็เลยจนได้อายุ9ปีเกิดลาหุนึ้นมาได้7วันอีกแล้ววันเนี่ยบ่วง <c oughs> ลาหุนคือบ่วงในความรักจนสุดหัวใจก็เห็นหน้าลูกก็รักลูกเป็นนรมบดาของความเป็นพ่อเป็นแม่คนอย่าง อาจารย์สตัตวเร่อาารสัตวีาาตตกว็ พ, พ่อพ่อไปทลงานเชื่อฟังเทวดาขณะที่ข้าพ่อตายอมตะไปดูยอดพิมสาตายหรื อ, อยังแล้วบอกว่าตายแล้ววัี้ คราวเดียวก็ได้ยินจังกมารก็บอกว่าเขาไม่เห็นสีของพระเจ้าชาติจักก็ประสูติโอรสแล้วได้ลูกชายว่าเขาบ้าลูกรักเลยทีเดียวนียังไม่เห็นหน้าเลยได้ยินกราบทูลสองคราวเรื่องเดียวกันว่นคราวเดียวกันสองเรื่องอันหนึ่งพระเจ้าพิษสารสวรรคตอนที่สอง เอารถแล้วก็โจมแล้วเกิดรักกันมากก็เกิดรักโลกโอ้คิดถึงพระเจ้าเป็นพระเจ้าพ่อของเราของรักเราหมอนนี่นาะผิดพลาดไปแล้วเสียใจมากจึงเปลี่ยนชีวิตใหม่มาเพื่อหวังลงพระาศาสนานี่พระเจ้าก็ มองอย่างนี้ก็วสว่างหาคำตอบเรื่องนี้จนชิดเป็นโจทย์ตัวใหญ่ออกปวดการออกปวดก็ต้องตามพุทธวัติของหายาเนี่ยม่ได้ลักนี้นะอาจจะพูดกับพิมพาหลายวันแต่ไม่บอก เจ้าตัวจทานเสนาก็หัห้าวว่ายัาง อ, อ่อนยังไม่แข็งแรงตึองไปสูวลรถใหม่แล้วหวหนุ่ก็ยังน้อยให้เราหนว น, นุ่โตกว่านี้ให้เพียมปา่าแข็งแรงกว่านี้ก่อนเจ้าก็ว่าศิษฐาก็บอกว่ามั น, มน อ, ไไอาจจะรอไม่ได้อายุก็ยีิบเก้าปีแล้ว ถ่ายเกยล้าก็จำไรายบันดาผิมพาก็ไม่ลำบากเพราะมีเสาสนมเป็นหลายหลายคนมีพระราชาวังมีอะไรไม่ลำบากล้าหวนก็ไม่ลำบากเปนพี่เลี้ยงนางนมผิมภาไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่ในปราสาทจางเยวไม่ต้องไปทำมาหาจินอะไรไม่ลำบากเลย อิวาก็บอกว่ารักสิทะไอ้หาก็บอกว่ารักติมบาเหมือนกันแต่เรารักกันแค่สองคนตอนนี้ไม่พอเราต้องรักคนทั้งโลกนี่คือหัวใจพูที่ศัตด์พระจก็อ้มไหนก็มาอยู่พระจก็สั่งนายฉันทะยังไงก็มาอยู่แล้วไอ้ออม มากันตะ ก, กะมาประตูทางด้านนี้อาออกไปซะไปบวชนั่นเะจงได้สังหารวมจิงอย่างนี้ตั้งหกปีนะั้นเอาปวดแล้วไม่ท้อถอยเจงได้สดเด็ดเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้โดยลำดับ การทางเดินทางมาได้หาเรื่องที่จะพูดตรงนี้คนฟังจนได้มาแต่ไม่ออกปวดก็มีปัญจวิชีติดตามคนทัญญยาได้ชวนลูกของภาอมตั้งเกตดั่นคือว่าป่าพัทยามหานรมมอีกคนไปด้วยกัน จนปัจริชีหนีจากหักฉันข้าวนักจุดชัน ด, ดานอาณากรก็ทรมานล่างกายสมให้เป็นทุกอย่างพระเจ้าเทสไปทีนี้ัต่จิมดาโยโค่ทรมานตัวในลำบากรามมชนิการยโยโค่เผือดอ่อนเดกเกินไปมอมมอในกามเกิไปคุนชิดในกามเกินใบ นิโน่กัมโบเป็นของกมัมซางปุตุเจโน่เป็นของปุตชนได้เขียนอย่างนี้มาพระเจ้าเคยบวชห้วกรรมทั้งหลายได้มาทรมานตนจนเตลิดหนังคุ้มกระดูจนได้มาฉันเข้าวนางสุจ ด, ด, ดาวางเขินใบมาเล่นงานเลิกกิจใจเนี่ย ที่พุทธกยาเวนดังกฤษได้เป็นพระเจ้าที่ว่าอัตังชิโคมโคเห็นฤๅษีสัตว์ตามความเป็นจริงอย่างนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้ได้เห็นลูกตามความเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ตัดสู้พ้องเฉพาะแล้วเป็นของหมวดจด จริงๆอยากไปบอกใครลองบัตคิดถึงใครก็ไม่เห็นไม่มีเพราะอยู่คนเดียวที่พุทธกยาดันยังได้ประดแสดงทำเทศน า, ากันนี้ในโน่นกลาสีโนนอิชิปตระตาาโนนเดินทางไปหาปัญจคีทั้งเดือนหนึ่งกว่าดีในเทศเดงนี้ ออกเริออกนทางกันนั่นพบใครที่ไหนปีนี้กอปัญหาพุทธประวัตินักเรีมนชั้นตรีไปดูข้อสอบเขาถามว่าก่อนที่พุทธศาสดาไปโปรดจันจับวิคีนั่นพบใครที่ไหนก่อนมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นักเรียนก็ตอบไปค่ได้ เลวว่ า, ว า, วาตพบสุภะตปริพาชก ค, คนแรกการที่เดินทางไปแล้สุภะตปริชาภาชกเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสท่านเป็นใคร ถามว่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหนทำไมท่านถึงป่องใสยิ้มเย้ยแ ย, ม, แยมใสใครเป็นครูของท่านครูของท่านสอนอย่างไรตยวเตอร์ปริภาชากถามพุทเจ้าก็การหลังลวดวิชารการตัดตรู่ใหม่ พูดออกมาเลยว่าเราตัดสร้เองโลยชอบไม่ใครเป็นครูของเราตุกท า, าผลิตภาชกไม่เชื่อเลยสันหัวหนีเดินดางไปเลยไม่ได้ประโยชน์เลยนี่ปัญหาก็ถูกต้องกระตอบจางนี้ถ้าคนเรียนอ่านพุทธประวัติต่อไปถามว่า ใครเป็นคนถึงพลั ต, ตัยคนแรกเป็นวาสก ว, วาสกคนแรกถึงพละตัยถึงอะไรบ้างว่ารัตาถึงพละ ต, ตัยสองคือใครพระพระทุทธธรรมคือใครพะพุทธธรมพระสงฆ์คือใคร ถึงพระราชาสองคือตัุุษะพันลีกะก็ข่าสองพี่น้องขายขนมสัตตุก้อสัตตุผงได่ว่าตปบุษะพันลีกะสองพี่น้องพอข้าได้เห็นพระเจ้าเปิดศรัทธ า, าเหมือนกันนี่มาถวายเข้าสัตุก้อนเข้าสัตุกผง ่อได้ไม่รายฟังเทศไรดอกแต่ว่าัอ ถ, ถึงพระรัตน์ขอถึงพระเจ้าพระธรรมสองเท่านั้นต่อมาข้อต่อมาอีก็าถามวาปัญหาปีนี้นะใครถึงพระรัตน์รสามใครถึงพระรัตนไปสามคนแรกคือก็คื อ, คอพ่อแม่ของยะสากุลปุรบุตร ถึงพระตัดไตสองสามสามถึงพระตัดไตสามลื่นมันแสงคือพ่อแม่ของยอศาวกุลบุตรกระทำอย่างนี้ปัญหาปีนี้ขุนเจ้าเทศนาเรื่องนี้แล้วก็มีหลานเกิดขึ้นเอกัญญาแล้วก็มาศน วัฏปยมหานามะในปรรษาแรกที่อิจิปันณะมกตยาวันยนวัฏปัตยมหานามะอาชจิได้บรรลุตามเป็นพระันทั้งสามลูกด้วยมีพระตัดใสสามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในช่วงนี้ ในข่าวเดียวกันนี้ก็มียาศสาวุลบุตรเป็นลูกเศรษฐีพาราณาศีเบื่อนหน่ายโลกเหมือนกันอาจจะมีการนะเท่าเทียมกันว่าสิท ธ, ธัตถะมีดิจิติบ่าวสาวสนองกว่า น, นั้นหน่อยใช่ไหมเบื่อน่ายเลยหนีออกมามาก็าวุ่นวายเนอที่นี่กัดห้องเนอมา พ, าพระอิจิปัตันนะ เจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่ตอนเช้าพระเจ้าขานตอบตองเดินยักคงใกล้ๆกับประตูของป่อิสิปธนาที่ปฐมเทศนานั้นยังไม่รูปแบบอยู่แต่ถูกดินทับถมขุดขึ้นมา เห็นคันตะกุฏิเห็นทางเดินจงกลมก็จ้าขานต่อว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขาดคองมาที่นี่ก็ได้ยวสากนบวดก็เดินมาทางเฉียงอยู่ในป่ากดลองเล่าไว้ประตูเดินเข้ามา มาเห็นพระเจ้าจงคงอยู่ก็ขอกราบไหว้ฟังธรรมพระเจ้าจึ ง, งรร จ, จะแดงธรรมที่เกิดหนังเรียกว่าอนุภิกษาอนาเมธานสินภาว น, นาแล้วก็สักกะถ า, าการมมทติวะกะถา เป็นห้ า, าการกถาสินกถาภาวนากถาสักกถากา ม, มวิวากถาเป็นห้าให้อะยะจากกลุ่มระบฟังยาจากาาจากลุ่เบอก็เกิดเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาอีกรูปหนึ่งเป็นหกคน6กชีวิตเกิดกับพระพุทธเจ้า ตื่นขึ้นมาก็พ่อแม่ของยาศศมาเห็นลูกชายก็ตามออกมาหากัออกมาเพราะว่าป่าอิสิปตันนาเนี่เป็นที่ปลดปล่อยของสัตว์หรือจีคีภัยมาอยู่ที่นี่เรืออาจจะไปอยู่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้พากันออกม า, อาเดินทางมาทั้งป่าลึกอิสิปตันนา น, นี่ก็มาเห็นลองเท้าจิตยาศศคุณบุตร ทอดอยู่ที่ประตูกรตา ม, มาเห็นพระยศสากลบุตรยศสกลบุตรได้ออกบวชเส็จแล้วนั่งว่วงเทศพุทธเจ้าอยู่ก็ไปบอกมารดาปิดาของยศสากลบุตรยศสากบุตรกำลัาานิมนต์พระเจ้ากับังส่งไปในบ้าน วันในว่าก็ไปแสดงธรรมแม่พ่อแม่ของยศกุลวัวก็มีศรัทธาเลื่อมใสได้แสดงเป็นอุบาจกบัจิกาคนแรกถึงพระรัตไตรสามพระัตตรสา 3, คือพ่อแม่ของยศกุลบุตรจําไว้นะพระรัตสองคือตปุจจ พ, พันลิกะ คือมันเป็นอย่างนี้ปัญหาปีนี้ก็มีเรื่องไม่แล้วอย่างนี้จริงๆพุทธประวัติมันมีหลักฐานจริงๆไม่ใช่หมายเขียนขึ้นลอยๆมีต้นแบบดีของวิสูตรด้กับความเป็นจริงจนเขียนเป็นหนังสือพระไตรปิฎกมากสวดวันนี้เราจะเข้าใจเป็นชนไหน ให้ย่อมไหนใจของเราบางแต่สลัวลิสัต์ตนั้นอยู่ที่ใดยอยู่ที่ฝ่ายทีหรืออยู่ที่ไหนอยู่ที่ปันเจวุคีหรืออยู่ที่พระเจ้าหรืออยู่ที่ยาติสามคนหมดหรือแม่ไหนเขาญาตสามคนบวชออกบวชไปพระเจ้าประเทศก็มีจหายออกยัติสากคนสี่จี้าคนอีก สหายของยะะัษ์ตตามมาบวชอีกในขาวจบบรรษาแรกเลยมีพระสานเกิดขึ้นตั้ง6กสิบเจ็ดสิบลูกเลยนี่เหมือนอย่างนี้บุตรวัดเขาเขียนมาอย่างนี้นีหลักฐานอย่างนี้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เราต้องพิจูดทำสอนดูเป็นไปได้ไหมตัดสลัวลิสัตสีเนี่ยมันจริงอย่างไรเห็นของจริงตะลัลูกเห็นตามความไปจริงว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาเราจเจริญสติมันก็หนีไม่พ้นตรงหน้าเราอยู่ที่นี่เวลามันได้มีจติก็เป็นตัวเกณฑ์ที่วัดมผนดวงตาภายใน มันเกิดขึ้นมาเห็นจริงๆแล้วเกี่ยวกับกิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มีครูอาจารย์สอนกรรมฐ า, านวิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บอกเวลานี้ก็ให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นมันสุข ก, ก็เห็นมันสุขอย่าเป็นผู้สุขมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันเกิดขึ้นได้ความหลงความคิด เ่อให้เห็นสุกเห็นทุกได้ไฟเกิดจีตเดือดร้อ น, นได้เราเป็นยังไงคําหมือพระเจ้าสอนหมายเชื่อไหมหวัดดวัติตามไหมหรือเมื่อไม่ทําตามมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกขงังในชั้นจั ง, ท, ง, อองทํำยังไงจะเกิทุกข์ทุกข์กำหนดรู้แล้วนี่คือทุกข์จริงๆมันไม่ใช่ความสุข เป็นทุกข์ก็ความทุกข์หรือเกิดพระเจ้าเห็นทุกข์แล้วถามไปอีกว่าเห็นเห็นนึกเกิดทุกข์อะไรมาทําให้เป็นเหตุทุกข์โอ้อาจจะเป็นความหลงหลงที่ไหนหลงแต่ความคิดโอ้เหตุปรนทุกที่ความคิดทำไมยึงหลงคิดว่ามีสติทําไมยังไม่มีสติก็เพราะไม่ได้ฝึกสติเอากลับมารู้จากตัว ไม่ใช่ไปว่าความทุกข์กันั้นคนนั้นทำให้เราก็นี่ทาให้เรากลับมารู้จึกตัวปฏิบัติให้กลับมาเลยเนี่ยมันทันทีนะเนี่ยใช่ได้ทันทีเอาอย่างพุทธเจ้าเอาอย่างพระอรหันต์จริงจริเราทำเนี่ยไม่ใช่หมายทำกันเล่นเล่นนะเจอทุกข์อความหลงเจอความโกรธ็จอจิตลจตันนะ ว่าเกีเ่ยวกับมันยังไงกลับมาลู้เฉกตัวนะแล้วหรือว่าไปกับมันเลยไปเลยไปมันก็ไม่อะไแก้อะไรเลยมันก็อ่อนแอไปเลยกรรมฉันนิการิโอโขอ่อนแอทุกเป็นทุกเป็นการมฉันนิยาเขโขกรรมฉันการมสุขันนิยานโรนี่มันลื่นแข็งม <c oughs> ันอ่อนแอ ทุกเป็นชุกโขนนอนเดเรื่อว่ากรรมมาขนันทุก ข, ขาเนี่ยอยู่เป็นทางตันทุกเป็นทุกทุกเป็นชุกหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธโขนนอนเดบริโภคกรรมมาขันี่ากาอยู่โกเป็นกรรมานะไม่ใช่กรรมคือการเฉกกรรมอะไรตัวนี้ยินดียินเลยเป็นกรรมมาขันกาอยู่ยโกโ พูะเจ้าจึงบอกถอนออกถอนมาถอนความพอใจแล้วก็มาพอใจออกมาให้รู้จดจ่อาักานี่เห็นไหมพบเรื่องนี้ไหมเวลาเรามีจิดูกายดูใจมันเกิดขึ้นติกาที่ใจนี้ไม่ได้มันโลดแผ่นดินหัวมาต่างอากาศเราจึงเห็นต่อหน้าต่อตาเออรู้ อย่างเมื่อ ว, า, วานงก็พูดว่าเก็บเอาความรู้จักตัวมันได้จากสินน่งที่นี่ชิดขึ้นมาเก็บเอารู้มันสุขรู้พอใจรู้ไม่พอใจรู้เบื่อรู้ขยันรู้อะไรเกิดขึ้นมาเอาอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติธรรมสร้างความเชื่มแข็งสร้างความยิ่งใหญ่สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นจาเราแท้แท้เนี่ย ต้องการความเป็นธรรมไปหาความเป็นธรรมที่ไดการเรียกร้องที่ไหนก็ดันเบียดเบียนเราคนนี้เบียดเบียนเราเราเราจะเป็นจะไปยอมจำนนเขาบอให้เราดีก็ตีใจแขา ว, ว่านนี้สัมเสนก็ตีใจเขานี้ท้าก็เสียใจมันไม่ใช่อย่างนั้นถูกโลกขาฝัคนอ่อนเด้อ ก, กลับมา่อรถมองตนยิ้มน้อยๆให้กับตัวเองแต่วนนี้ถ้าเราก็ยิมให้ตัวเองก้าเพียรก็ยิ้มได้นะเออจะได้แจ้ไขถ้าไม่เพียก็ยิ้มได้ของไอ้รู้ไม่ใช่เป็นทุนพุทธสวาสดโกรธไปเลยดีใจเสียใจไปฉันนั่นขับมารู้จากตัวกลับมารู้จากตัวอย่างเนี้ย นี่คือเดินตามลอยพระลหันพระหรันท่านเดินไปอย่างนี้เพราะอญญากรนยาใส่ใจฟังธรรมเทศนากันเมื่อกี้นี้ตั้งใจลำถับไปคิดใส่ใจตามขุนเจ้าพูดอะไรกมาสอนตัวเองอืมอืมอืมอื ม, อมเ้าใจเลวเออคิดถึงใครวิงเชี่ย ม, มานุหรอือ เวลาพุทเจ้าเทศคิดถึงลวงโน่นไม่ไบรบรรลุธรรมเลยหรือจะหาอีกบรรลุธรรมไปเลยเมื่อได้คิดถึงหลวงโอ้ยอยากให้หลวงมาฟังพุทเจ้าเทศเด้อคิดถึงหลวงอาจะชวนหลวงมาฟังเทศพุทเจ้าเทศไปก็คิดถึงแต่หลวงคิดถึงคนนั่นคนนี้ เลยไม่บรรลุธรรมกับเขาไปเคียะ ม, มานกุกใช่หรือเปล่าจำเอาได้นะในฟังเทศมานุปสิบหกคนเนะี่เราคิดถึงใครเวลาเราปฏิบัติชินคนรักไปเสร็จแล้วคิดถึงคน่างไปเส็จแล้วทีค่คิดถึงลูกคู่มีลูกคิดถึงลูกคนมีเมียคิดถึงเมีย คนมีความทุกข์คิดนความทุกปา่อยนล้ น, นไปแล้วต้องกำมาลูนี่นั่นแหละมันดีโจดตัวใหญ่กลับมาลูอันมาให้เรารู้ไม่ใช่มาให้เราเป็นไปกับมันนะแต่ว่าปฏิบัติธรรมคือโตตอบทักท้วงรวจสอบตรงนี้เป็นไปได้ไหมวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงจะพบปะกับอะไรบทเรียนกับอะไร ได้ประสบการณ์กับอะไรที่มันเกิดกับกากับเธอเราเนี่ยจะมีบทเรียนไปเรืยไปเรียนที่แรกก็ผิดผิดพลาดพาเหมือนเราหัดอะไรตังกายอัดตัง จ, จิตใจหลงหลงลงืมจึงอ่านหลังตาท่องธรรมจักเนี่เป็นเดือนนะยังจำได้หมดทุกข้อเทศสวดได้ แต่ว่าเจ่แล้วค่อยเรียนมันก็ไม่ลืมลืมไปต้องสวยก็หลืมไปต้องไปต้งมืด ใ, ใจใหจนไม่ลืมวางหนังสือเดินโยกมสวดลองลูป ก, ก็ได้ษเอานั่นที่มันติดปากมอมพูดได้ติดใจได้ติดกายได้ตลัด หัดดีก็ติดงัดทำถูกก็ถูกติดความถูกความถูกติดที่กายที่ใจหัดให้ผิดก็ความผิดติดอยู่ที่กายที่ใจได้จนเกิดเป็ ieur, นจริตนิสัยได้นะอย่าประมาทจงมีความเพียรมีสติสตินี่เป็นตัวเฉลยที่ที่ที่ใหญ่ที่สุด อะไรเกิดกับกาจะเฉลยได้ทั้งหมดมาเป็นรูดทั้งหมดให้รูดเช่นก่อนแล้วตัวรูดจะกลายเป็นปัญญาจะกลายเป็นละความชั่วจะกลายรุนศินเป็นสมุทิไปเลยเพราะว่ารูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องรูดเรื่องเดียวแล้วก็ลาแล้วมันก็ทาความดีแล้วมันก็เกิดปัญญาแล้วสุก็รูดเนี่ยเนี่ยมาเกิดเกิดปกติแล้วเกิดเป็นศินดล้ ละความชั่วเหรอทุกคนละรู้แล้วนี่อะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็รู้ขอกมาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือถ้ารู้เนี่ยมาเป็นเรื่องดีหมดเลยเป็นเรื่องปัญญาหมดวันยาเกิดขึ้นแล้วเจอเราสวงสวาเกิดขึ้นแล้วเจอเราวิชาเกิดขึนน้นแล้วเจอเรานิพพานเกิดขึ้นแล้วเจรเรามาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจึง เห็นของจริงมีปริวัติสองอาการสิบสองนะหนึ่งเห็นไม่เป็นพ้นจากเนี่ยเป็นอย่างนี้มันทุกข์อา้าวเห็นเห็นทุกข์ปริวัติสองข้อสองไม่เป็นทุกข์ความทุกข์นี่ข้อที่สไม่เป็นทุกข์ความทุกข์พ้นจากทุกข์สมปฏิวัติสาเป็นอย่างนี้อะไรเกิดก็เกิดปฏิวัติสามอาการสิบสอง น้อยแต่และสามครั้งปรวัติสามไงมก็เป็น 12, รรจ2ดสองหรือวามาจากอีกสองที่ไปดูทามาจากที่ร้านทร ม, มันจะมีความหมา ย, ยานี่มันหมูนปนแล้วหมูนไปนแล้วเราทาเราเราให้ท ร, รมาจากเกิดก้นแล้วจะเรา ต้องงานโลกความวโลกเทวโลกและบรรลุโลกในมูสัตว์ซ้ำสร้างสรรพภาพเป็นไปแล้วเป็นเป็นแล้วหมุนไปแล้วหมุนไปที่ใดก็เหยียบย่าไปเลยความโง่หลงงมงายความทุกข์ความโศกความพิแศษความเจ็บปวดอะไรเหยียบย่ำไปเลยเกิดเป็นทางไปเหลือทางวันประสบ อ, อยู่ในคนเนี่ย อ้าวแล้ววันนี้ก็จบกันเฉล